ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปะภะปุพพศิขาและบุพพศิขาวันนาพระอมาราภิรกิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสโรจนาต่อไปก็จะเป็นการแสดงเรื่องของการพนานาทุกตาบัตจะแสดงในประเทศแห่งทุกตาบัต ทุกขตาแบบนั้นว่าโดยอาคตะฐานะก็คือที่มาโดยย่อดจะมีสองก็คือมาในบาลีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอย่างหนึ่งเรียกชื่อว่าบาลีทุกฏมาในอัตถกถาพ้นจากบาลีพระสังคีติกาจาร์ผู้รู้พุทธาธิบายตั้งไว้อย่างหนึ่งเรียกชื่อว่าบาลีมุตตะทุกฏ ก, ก็คือที่พ้นจากพระบาลีหมายถึงท่านอัตถกาจารย์ทั้งหลายท่านก็รู้นิยต ว่าปฏิบัติแล้วมีอบัติตอบได้ก็คืออวัตทุ ก, กฎสำหรับบาลีทุกกฎที่มาโดยที่มานั้นโดยอาคตะฐานะจะมีห้าอย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกมาในเสกยะเรียกชื่อว่าเสกยะทุกกซึ่งก็จะมีที่บันทึไว้โดยสุขบทมีเจ็ด้าข้อแต่ว่าจริงๆที่ต้องศึกษานั้นมีมาก อย่างที่สองก็มาในนิทานแห่งสิกขาบทเรียกชื่อว่านิทานะทุกฏอย่างที่สามมาในวินีตวัตถุแห่งป ร, ราชิกและสังคาิเทศเรียกชื่อว่าวินีตวัตถุทุกกฏก็ตัวอย่างอุทาหรณ์ทั้งหลายอย่างที่สี่ก็มาในวิพัง์แห่งป ร, ราชิกเป็นต้นเขาได้ชื่อว่าวิพังคะทุกกฏบทจำแนกต่างๆอย่างที่ห้ามาในมหาคันธกะเป็นต้นเขาได้ชื่อว่าคันธกะทุกฏ เพราะฉะนั้นตัวที่มานี่ตามพระบาลีก็มีห้าอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วมาดูอย่างแรกก็คือเศขษฐียะทุกกฎมาในบาลีแห่งเสรษฐียะศกขาบททั้งหมดเจ็ดสบ้าดังกล่าวแล้วในเศขษ ย, ยวัรอย่างที่สองก็เป็นนิทานทุกกฎมีแค่สองข้อนิทานทุกกฎข้อหนึ่งก็คือมาในนิทานแห่งทุติยาปาราชิกว่าพระองค์เห็นพระธัญญะเถระธันตุดีแล้วด้วยดินล้วน ตรัสั่งให้พิษุทั้งหลายไปต่อยเสียแล้วทรงบัญญัติไว้ว่านาจาาพิขเวส บ, บะมติกามะยากูดีกาต บ, บาแปลว่าทิษุอย่าพึงทำกูดีแล้วด้วยดินล้วนถ้าทาต้องทุกข์กดแม้ได้กูดีดินล้วนที่ผู้อื่นด้วยศิกขาบททำไว้แล้วอยู่ในกูดีนั้นเป็นกกทุกข์กดแท้แต่เจือด้วยเครื่องทัพพะสัมภาระหรือเจือด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามควรอยู่ แล้วได้ดินร้อนอย่างเดียวไม่ควรแม้กูดีนั้นเขาตามสังเกตว่าเป็นตึกด้วยอิดควรอยู่เพราะพระองค์ตรัสสั่งให้พิสุกไปต่อยเสียนั้นแม้ทุกวันนี้พิกษุเป็นผู้สูตรรู้วินัยเห็นที่ตัวอื่นถึงเครื่องบริขารที่ไม่ควรเที่ยวอยู่ถ้าตัดต่อยเสียเองหรือให้ผู้อื่นตัดต่อยเสียซึ่งบริขารนั้นเธอนั้นผู้เจ้าของติดเจียนไม่ได้อย่าพึงโจษเธออย่าพึงให้เธอระลึก จะกล่าวว่าบริขานของเราท่านทําชิบหายเสียจงใช้เราดังนี้ไม่ได้ในที่นี้ต่อไปในอรรถคาถาท่านวินิจฉัยกัปปิยากัปปิยะบริขารเป็นบาลีมุตตะดังกล่าวแล้วในปริหารรัถาข้อหนึ่งพระองค์ทรงบรรัญญัติไว้ในนิทานแห่งสุรุสุรุศิขาบทว่านาคิคเวบุตรทางวาธรรมังวาสังขั ง, งวา อารพะดาโวกาโวกระตะโบแปลว่าที่สุญญารกพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ทําเป็นพูดเย้ยเล่นโดยปริยายอันใดอันหนึง่งเป็นต้นว่าพระพุทธอะไรพระมักตื่นนอนและไม่ตื่นนอนพระธรรมอะไรพระธรรมโคพระธรรมแพะสมว่าหมูหมูอะไรหมูเนื้อหมู่สัตว์ของเลี้ยงถ้าเธอใดทําพูดเย้ยเล่นดังนี้ต้องทุกกตอันนี้ก็เป็นนิทานทะุกตอ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 เราสัง่งท่านให้ถือเอาของสิ่งนี้ท่านจงไปถือเอาของสิ่งนี้ในที่แห่งนั้นดังนี้ควรอยู่ด้วยว่าเท่านี้จึงพ้นความอุ ป, ปมารังพะได้ไปพูดตามคําพูดตามคำอย่างนี้นี่มีอบัตข้อหนึ่งในวินิจตวัตถุแห่งตัศย์ยปา ร, ราชิกทรงห้ามไว้ว่าภิกษุอย่าพึงทําตนให้ตกลงคือโจรเหวตายเป็นต้ตนถ้าให้ตกดังนี้ต้องทุกข์กด ไช่แต่อย่าให้ตนตกไปอย่างเดียวก็หาไม่อย่าเพิ่งให้ตนตายด้วยความเพียนอันใดอันหนึ่งแม้อื่นโดยที่สุดในด้วยการอดอาหารเสียด้วยว่าแม้ผู้ใดเป็นไข้เมื่อยาและคนอุปทานมีอยู่อยากจะตายตัดอาหารเสียเป็นทุกข์กอดแท้แต่ผู้ใดอ า, าพาธใหญ่ชักลากมานานที่สุดทั้งหลายผู้อุปทานก็ลำบากหรือเบื่อนายถ้าเธอนั้นคิดว่าอาตภาพนี้แม้ปฏิบัติไปก็ไม่ตั้งอยู่ เชี่ยวสู่ทั้งหลายทรอยลำบากด้วยและเธอตัดอาหารเสียไม่เสตยาควรอยู่แต่เธอตัดอาหารเสียด้วยคิดว่าโรคนี้กล้าอายุสังขารจะไม่ตั้งอยู่และความได้คุณวิเศษดูเหมือนอย่างกระถึงมือว่าจะถึงมืออยู่แล้วดังนี้ควรแท้แม้ไม่เป็นไข้เกิดความสังเวชขึ้นคิดว่าเชี่ยวแผงหาอาหารเป็นความเนื่องช้าเราจากประกอบกรรมฐานอย่างเดียว และตัดอาหารด้วยกรรมฐานศีสะคือหัวข้อแห่งกรรมฐานไปเที่ยวบินฑบาตนะฉันนี่เสียเวลาถึงหลายชั่วโมงไม่ต้องฉันน่ะําเพนกรรมฐานเช่ไดีกว่าดังนี้ก็ควรตัดอาหารเสียเพราะทรัพยากรความได้คุณวิเศษในควรด้วยว่าบอกเล่ากันแก่ที่สุเป็นลัชีซึ่งเป็นสภาตะการจึงควรท่างจะมาอวดอ้างคุณเศษคุณฉันอดอาหารได้วันสองวันแล้วจะได้คุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ม่ควร ข้อหนึ่งในวินีตวัตถุแห่งจตุถะประราชิกทรงบัญญัติไว้ว่าเพิกตุอยาตั้งใจจะให้เขาสระเสริญนับถือในพระอรหันตหรือในเสขะภูมิแล้วอยู่ป่าถ้าอยู่ด้วยความปรารถนาดังนี้ต้องทุกข์กดปรารถนาเช่นนั้นคิจจะไปอยู่ป่าเดินไปเป็นทุกข์กดทุกๆกวาระเท้าทุกยาก้าวเลยปรารถนาเช่นนั้นไปอยู่ในป่าในกิจชังปวงเป็นต้นว่า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 หรือคิดว่าเข้าไปป่าแล้วไม่ถึงพระอรหัสต์จะไม่ออกหรือคิดว่าการอยู่ป่าพระพุทธเจ้ากร ะ, ะเสริญเมื่อเราอยู่ในป่าเพื่อนสามพรหมจารีเป็นอันมากจะพลอยละเสนานะใกล้บ้านเป็นผู้อยู่ป่าด้วยกันหวังจะอยู่ไม่มีโทษดังนี้เธอนั้นพึงอยู่เถิดข้อหนึ่งอย่าพึงเที่ยวบินทบาทและจงกรมนันยืน น, นั่งและสาเร็จการนอนด้วยความปรารถนา ด, ดังนั้น ถ้าเธอใดปราถนาดังนั้นแล้วเที่ยวบินทบาทเป็นต้นต้องทุกกดคิดว่าจะจัดอาการเป็นต้นว่าก้าวไปเที่ยวบินทบาทด้วยความปราถนาดังนั้นตั้งแต่นุ่งห่มไปจนฉันแล้วเป็นทุกกดทุกทุกประโยคจะได้ความสรรเสริญก็าตามไม่ได้ก็าตามเป็นทุกกดแท้แต่เที่ยวไปเที่ยวบินทบาทด้วยมารยาทเป็นต้นว่าก้าวไปถอยกลับ ที่น่าเรื่อมใสเพื่อจะบำเพ็ญขันธกาวัตและเศรษฐีวัตให้บริบูรณ์หรือเพื่อจะให้เพื่อนสักรมจารีถึงทิศษานุขติเห็นเป็นตัวอย่างไม่มีโทษนักปราดไม่ติเตียนแม้เดินจงกลมเป็นต้นก็มีอย่างดังกล่าวแล้วนั่นแลวินี้แต่วัตถุทุกกฎต่อไปจะเป็นวิพังคะทุกกฎก็แล้ในวิพังคทุกกมีมากคือจำแนกออกเป็นตั้งสิอย่าง ญาตาทุกกฎบ้างอย่างแรกนั้ะยาตาทุกกฎอย่างที่สองยติทุกกฎอย่างที่สามอนุสาวระทุกกฎอย่ที่สี่อนัตติทุกกฎอย่างที่ห้าวิมติทุกกฎอันที่หกสัญญาทุกกฎอย่างที่เจ็ดยะถาเขตตาทุกกฎอันที่แปดยะถาวัตถุทุกกฎอย่างที่เก้ายะถาประโยคทุกกฎอย่างที่สิบยะถาวัชชะทุกกฎอันนี้ก็เป็นทุกกฎที่มาในวิธังทางทุกกฎแต่ว่าแยกมาทั้งสิบอย่าง ยาตัดทุกกดนั้นดังที่ตุได้เห็นหรือว่าได้ยินที่ตุอืน่นพยายามเพื่อจะทําลายสง์เป็นต้นแลเห็นหรือได้ยินที่ตุอื่นมีทิฏฐิผิดดังอริฏฐ า, ธออาที่ทททนนตุและไม่ห้ามตนะ้องอบดับทุกขดทุกขกดนี้เรียกว่ายาตัดทุกกดรู้แล้วไม่ห้ามเป็นทุกขกดเพราะรู้แล้วไม่ห้ามเนี่ยอบดับทุกขดต่อไปยติทุกขกดนั้นดังที่ตุพยายามเพื่อจะทําลายสงเป็นต้น สงธรรมสมนุภาสนากรรมจบยติลงไม่มละกรรมอันนั้นเสียต้องทุกข์กดส่วนสมนุภาพจะตาดห้ามถ้ตรวดครั้งแรกจบยติไม่สลักต้องอบับทุกกดตรวนนั้นสาวนายสองครั้งไม่สลักเรต้องอบดับธุลใจสรวจครั้งที่สาไม่สละก็เป็นสังคาริเศษตรวดจบครั้งที่สามึงอบัติสังขาริเศษนั้นสาวนายสองครั้งเป็นธุรลใจ ถ้าเป็นอย่างอื่นบางครั้งก็มีอย่างอริยสัพพิสูน์นี้ก็มีการสวดประกาศสามครั้งการสวดขาดห้ามแต่ว่าจบาสามครั้งแล้วต้องมาบัต้องไม่ฉนะต้องบัดประิตีก็ต้องดูแต่ละที่ว่าอาบัตอะไรมีการสวดสมนุภาพ ข, ของพิภุนียาบัตประรชิตก็มีส่วนในสมนุภาพนะกรรมในสงังขาิเศษเมื่อจบอนุสาวนะที่สามต้องครุกาบาัตคือต้อง บ, บงฐฐัดสังขาริเศษแล้วระงับไปเองส่วนในสมนุภาพอื่นไม่กล่าวว่าระงับ ในสูงผ่านอื่นเนี่ยยกเว้นในเรื่องหองสังไหเศษถ้าสังไหเศษเนี่ยทุกกฎที่ต้องตอนตรวจยติไปแล้วก็ตระงับไปถือว่าพอตรวจจบอนุสโณนะใช้สามแล้วอนุสโณนะครั้งแรกใช้สองเนี่ยจบการใช้สองต้องอบัติธุระใจก็ระงับไปใั้สามก็บัรสังไหเศษมาแทนแต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่มีการระงับถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสังคายเศษอนุสาวนาทุกกฎนั้นดังทิสตุมีทิฏฐิผิดสงสวดสมุภารสนะ จบอนุสาวรนที่หนึ่งที่สองลงก็อบัตทุกกฎอันนี้เรียกว่าอนุสาวรนทุกกฎอนัตติทุกกฎนั้นดังพิจุใช้นางพิสุนีผู้ไม่ใช่ญาติให้ทักกีวณเก่าต้องทุกกฎด้วยบังคับก่อนเป็นตัวอย่างอันนี้ก็อนัตติทุกก ฎ, ท, กกฎทุกกฎเพราะว่าสั่งบังคับวิมิติทุกกฎนั้นดังผ้าอาัจเตกีวรยังไม่ล่วงสิบวันพิจุสงสัยอยู่และบริโภคต้องทุกกฎสงสัย พระสงสัยเป็นตัวอย่างพระสงสัยวิมติทุกฏสงสัยแล้วเกินนใช้สัญญาทุกกฎนั้นนำพิสูจน์สำคัญว่าหญิงในบรรดาจะต้องด้วยความกำหนักตอดแต่จับต้องบรรดาด้วยความสำคัญหมายว่าเป็นหญิงแต่ว่าไม่ใช่ถ้าจับต้องบรรดาด้วยสำคัญว่าเป็นบรรดาเนี่ความหมายถูกต้องต้องปฏบัติถูกใจจับต้องหญิงสำคัญว่าเป็นหญิงต้องมาสงายเศษแต่ว่าจัต้องในบรรดาสำคัญว่าเป็นหญิงนี่สำคัญผิด เพราะฉะนั้นก็อาบัตตามสัญญานั้นก็ต้องอบัดทุกกฎเรียกว่าสัญญาทุกกฎถ้าอาจจิจีวรยังไม่ล่วงสิบวันสําคัญว่าล่วงสิบวันแล้วก็เอามาบริโภคอีกอันนี้ก็เป็นทุกกฎด้วยสัญญากรเรียกว่าสัญญาทุกกฎยาถาเขตต่อทุกกฎนั้นดังที่จูดสารเสริญหรือว่าติเตียนอ ว, ยวัยวะหญิงแต่รากขวัญขึ้นไปแต่เข่าลงมาต้องทุกกฎตามเขตเรียกว่ายาถาเขตต่อทุกกฎ ไปสรรเสริญหรือว่าติดเตียนอวัยุะหญิงเนี่ยตั้งแต่รากขวัญขึ้นไปหรือว่าตั้งแต่เข่าลงมาส้อบัติทุกกฎจะได้เกิดไปสรรเสริญตั้งแต่รากขวัญลงมาตั้งแต่ไฮปาราะ ล, ะลงมาหรือว่าตั้งแต่เท่าขึ้นไปก็ต้องบัดทุนลใจยกเว้นวิยะเพศนะถ้าไปสรรเสริญนะวิยาเพศเลยก็ต้องบัดสงทายเศษต่อไปยถาวัตถุทุกกฎนั้นนางที่สูดจับต้องตายบุรุษด้วยความกำหนัด ต้องทุกกดตามวัตถุเป็นตัวอย่างเหยาถาวัตถุนี้ก็หมายถึงตามวัตถุอะไปจับต้องบุรุษก็บัดทุกกดจับต้องสตรีก็บัดสังขาริเศษจับต้องบัดอกข้าต้องบัดถุรใจเยถาประโยคทุกกดนั้นดังได้ในบุคภาพประโยคแห่งปาราชิกและสังขาิเศษและปัจจิตีนงังพิกษุมีไตรจิตจับต้องรูปคำของผู้อื่นต้องทุกกดเหยาถาประโยคทุกกด เป็นทุกข์เพราะว่าตามประโยคยถาวัชชาทุกขนั้นดังที่ตัอวดอุตริมนุษธรรมโดยปริยายผู้ฟังไม่รู้ความในขณะนั้นต้องทุกข์กฏตามโทษเป็นตัวอย่างเป็นทุกข์ตามโทษยถาวัชาวัชาเป็นวโทษไปอวดอุตริมนุษธรรมโดยปริยายแต่ว่าเขาฟังไม่รู้ความด้วยถ้าฟังรู้ความก็บัตรถุนจัยครับรกตรงๆก็บัตรสังฆนิเศษถ้าบอกตรงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ความอีก อันนี้ก็ยังไม่เป็นประชิกในขณะนั้นท้าปทุละใจไปอันนี้เขาเรียกว่าวิพังฆาตทุกกฎวิพังคาตทุกกฎต่อไปก็จะเป็นขันธากัทุกกฎขันธากัทุกกฎนี้ได้กล่าวแล้วในก่อนบ้างให้พึงรู้ในพระบัญญัติที่กล่าวก่อนไม่ได้อ้างที่มาแล้วเป็นขันธากัตทุกกฎสิ้นที่ไม่ได้อ้างเนี่ยเป็นขันธากะทุกกฎทั้งนั้นนะที่ต้นแสดงมา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 ข้อหนึ่งว่าบุตรที่มารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตคนเหล่านี้อย่าพึงให้บวชถ้าเธอใดให้บรรดชาให้บรรดชาคนเหล่านั้ น, เ, นกกเป็นสามเณรต้องทุกกอดให้บวชเป็นสามเณรต้อาบัตรทุกกอดบวชเป็นพระก็ต้องอาบนะัติด้วยแหละข้อหนึ่งคนมือด้วนคนเท้าด้วนคนด้วนทั้งมือทั้งเท้าคนหูขาดคนจมูกขาดคนขาด ท, ทั้งหูทั้งจมูกคนก้ามมือขาดคนนิ้วด้วนคนเอ็นขาดคนนิ้วติด คนคล่อมคนเตี้ยคนพอพ่อคนเปรี้ยคนเท้าโตคนโรครามกเป็นต้นว่าฤทธิ์ดวงคนปทุตร้ายบริษัทพราะมีรูปแปลรเพื่อนคนบอดข้างเดียวคนน้อยคนกระจอคนข้างหักคนอิริบทขาดคนแก่ทุรพลคนบอดสอข้างคนใบ้คนหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้คนทั้งบอดทั้งหนวกคนทั้งใบ้ทั้งหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวก คนเหล่านี้พิสูจอย่าให้บรรพชาถ้าเธอใดให้บรรพชาแก่คนเหล่านั้นต้องถูกกบดบรรดาคนรักสังวาสบรรดาคือกระเทยคนรักสังวานี่ก็คือคนที่ถืออาจีวอนไปบวชเองแล้วก็ยินดีสามีจิตกรรมนับพรรษายินดีการกราบไหว้ลุกหลับต่างๆแล้วก็เข้าร่วมทาสังฆกรรมด้วยเลยนะเรียกว่ารักความเป็นอยู่คือความเป็นอยู่ร่วมกับพิสูจน์ทั้งหลายตามบูโบสวดํามเปรวนาสังฆกรรมต่างๆอหล่านี้เรียกว่า คนลักสังวาสเป็นประราชิกเลยนะเข้ามาบวชอีกไม่ได้คนเป็นพิกจุอยู่แล้วไปเข้ารีดเดรธีหรือว่าสัจจะชานคนท่ามารดาคนท่าบิดาคนฆ่าพาาระอรหันต์ประทุษสายนามพิษุณีคนทําลายสงฆ์คนจิตประทุษสายทําโรหิตในกายของผู้พุทธเจ้าให้ห่อขึ้นคนสองเพศพวกอุปตัวประชญชนกมีทั้งเพศหญิงเพศชายคนเหล่านี้แม้บวชก็ไม่เป็นอุปสมบันิ ถ้าบวชเข้าพึงให้ฝึกเสียเพราะเป็นประชิกในตัวอยู่แล้วข้อหนึ่งคนไม่มีอุปชาอย่าพึงให้อุปสมบทเป็นพิศตูข้อหนึ่งอย่าเอาสงเป็นอุปชาข้อหนึ่งอย่าเอาคณะเป็นอุปชาข้อหนึ่งอย่าเอาบรรดาเป็นต้นเป็นอุปชาถ้าพิศตุใดเอาคนเหล่านี้เป็นอุปชาให้อุปสมบทแกกุลบุตรเป็นทิศตูต้องถูกกด ข้อหนึ่งคนไม่มีจีวรข้อหนึ่งคนที่มีบาข้อหนึ่งคนไม่มีทั้งบาทัท้งจีวรอย่าพึงให้อุปสมบทข้อหนึ่งอย่ายืมบาข้อหนึ่งอย่ายืมจีวรข้อหนึ่งอย่ายืมทั้งบาทัท้งจีวรให้อุปสมบทถ้าพิสูจน์ดให้อุปสมบทกุลบุตรขึ้นเป็นพิกูจนดังนี้ต้องทุกกดข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ให้อัปโปะบอกสงเพื่อทำพันธุ ก, กรรมคือโกนผมคนผู้เพ่งบรรชาวิธีอัปโปะสังเกตดังนี้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 และเพียงสองนิ้วก็ดีจิตซึ่งจะโกนผมแห่งคนนั้นไม่มีเพราะเหตุ น, นั้นแม้จะไม่บอกพันธุกรรมและจะให้คนเช่นนั้นบนรรพชาก็ควรแต่ผู้ใดมีผมยาวเกินกว่าสองนิ้วโดยที่สุดแม้ทรงไว้มาดว่าเปียหย่ำอันหนึ่งก็ดีพึงบอกพันธุกรรมก่อนจึงให้ผู้นั้นบรรพชาข้อหนึ่งจะทำพันธกันแต่สามเณรอย่าพึงทาการการกั้นอารามสทั้งปวง สา ม, มเณรอยู่หรือว่าเข้าไปในที่ใดพึงกลางกั้นแต่ที่นั้นข้อหนึ่งจะทำการการกั้นอาหารคือห้ามไม่ให้ฉันข้อหนึ่งไม่บอกอุปชากร อ, อย่าทำการกลางกั้นถ้าเธอใดทำการการกั้นแต่สา ม, มเณรดังนี้ต้องทุกกฎข้อหนึ่งอย่าเรียกกล่อมบริษัทแห่งผู้อื่นเพื่อทําการอุปถา ต, ตนด้วยคําว่าเราจะให้บาจีวันแต่ท่านาเธอใดกี่เรียกกล่อมดังนี้ต้องทุกกฎ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 ข้อหนึ่งไม่ให้ภิกษุอื่นทําโอกาสก่อนยาโจดเธอด้วยอาบัติถ้าเธอใดโจดดังนี้ต้องทุกข์กฎทรงอนุญาตให้ขอโอกาสก่อนว่าจโรตุเมียยสมาโอกา ส, สั่งอาหั่งตังวัตตุกาโมดังนี้ผู้มีอายุจงทําโอกาสแก่ข้าข้าจะกรากบกระท่านดังนี้แล้วจึงโจดด้วยอาบัติทงไมขอโอกาสก่ อ, อนนี้โจดต้องบัตทุ ก, กข์กตก็ต้องให้เขาให้โอกาสด้วยแหละ แต่เขาเปขอโอกาสแล้วก็ยังไม่ทันให้โ อ, อกาสแล้วก็โจรยัมีอ บ, บัตเหมือนกันข้อหนอึ่งยาทรงทันทะคือไม้ยาวสี่ซอกและสาแหลกเธอใดทรงทันทะและสาแหลกต้องทุกกดเป็นไข้ปราสาจากไม้ทันทะคือไม้เท้าที่ยวไปไม่ได้พระองค์ทรงอนุญาตให้ขอทันทะสมมติแต่สมเป็นไข้เว้นสแสดกเสียบริหารรักษาทาบาดไปไม่ได้พระองค์ทรงอนุญาตให้ขอ สิกาสมุติแต่สงก็คือสาแดดถ้าเป็นไข้เว้นขอทั้งสองอย่างนั้นเที่ยวไปและพาบาตไปไม่ได้พระองค์ทรงอนุญาตให้ขอทันทะสิกาสมุติแต่สงได้สมมติสิ่งใดแล้วว่าใช้ของสิ่งนั้นได้ข้อหนึ่งคานมีของห้อยทั้งสองข้างอย่าพึงหาหามนําไปถ้าเธอใดหาหามนําไปต้องทุกข์กดคานมีของข้างเดียวเอาของห้อยกลางสองคนหาม หรือว่าทูลศีรษะกระเดียดผิวเหล่านี้พระองค์ทรงอนุญาตข้อหนึ่งเมื่อผู้อื่นไอจามอยากกล่าวว่าท่านจงเป็นอยู่จงรอดอยู่ถ้ากล่าวดังนี้ต้องทุ ก, กข์กดพระ้าหากผู้ปรารถนามงคลเขากล่าวกระพิจูว่าท่านจงเป็นอยู่และจากกล่าวตอบว่าท่านจงเป็นอยู่สิ้นกาลนานดังนี้ควรอยู่ด้วยทรงอนุญาตให้กล่าวอันนี้ก็เป็นขันธจักทุกข์กด ทุกตาบัตรเหล่านี้มาในบาลีดังกล่าวแล้วจึงชื่อว่าบาลีทุกกฎบาลีทุกกตังจบก็แยกเป็นห้าข้อแยกเป็นห้าอย่างสําหรับบาลีทุกกฎบาลีทุกกฎก็คือเศกิะทุกกฎนิธานะทุกกฎวินีจตวัตถุทุกกฎวิพังคทุกกฎแล้วก็ขันธะทุกกฎส่วนที่เป็นบาลีมุตตะทุกกฎนั้นได้กล่าวแล้วบ้างในก่อนดังทุกกฎเพราะรักและฉันเนื้อดิดปลาดิด และอนามาตุกฏแห่งที่สูตผู้จับต้องรูปคำรัตนสิทธิ์อย่างข้าวเปลือกเจ็ดอย่างและเครื่องดนตรีเป็นต้นและทุรุปปจินนะทุกฏกวินยยะทุกฏกที่ยังเหลืออยู่ก็มีดังนี้ท่านก็จะขยายแหละในบาลีมุตตะทุกฏกนี้ท่านก็ตนนําแน่ชื่อมาสามชื่อก็คืออนามาตุกฏทุรุปปจินนะทุกฏ ก, ก็วินยาตทุกฏ ก, ก็บอกว่าข้อหนึ่งอย่าพึงรับข้าวเปลือกดิบ ข้หนึ่งอย่าพึงรับไร่นาที่ดินเป็นต้นถ้าทายกผู้หนึ่งกล่าวว่าบึงใหญ่สาเร็จเข้ากล้าในปีละสามครั้งของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าถวายบึงนั้นแกสงถ้าสงรับบึงนั้นเป็นอาบัติแท้เพราะรับด้วยเพราะบริโภคด้วยแต่เธอใดห้ามเสียเธอนั้นผู้หนึ่งอย่าพึงว่าสิ่งใดกับเธอเลยด้วยว่าผู้ใดโจดเธอนั้นผู้นั้นเป็นอาบัติเพราะเธอนั้นองค์เดียวทําวิจุมากไม่ให้เป็นอาบัต ทายกใดแม้กล่าวว่าขับเจ้าถวายบึงใหญ่เช่นนั้นที่สุดทังหลายห้าถือว่าไม่ควรถ้าเขาถามว่าบึงของสงอันนุนก็มีอยู่นั่นทำไมถึงควรเล่าจึงตอบเขาว่าเชรอยเขาจะททำให้เป็นกัปปิยะถวายถ้ากขาถามว่าถวายอย่างไรจึงเป็นกัปปิยะจึงตอบว่าเขาถวายว่าท่านจงบริโภคปัจเจศีดังนี้จึงเป็นกัปปิยะ ถ้าชยกนั้นกลับถวายว่าดีแล้วท่านจงบริโภคปัจจัยสีเ่เถิดดังนี้ก็ควรถ้าแม้เขากล่าวว่าท่านจงรัดบึงถ้าเขาถือว่าไม่ควรเขาถามว่ากับอยิ่งรกมีหรือไม่บอกว่าไม่มีเขาว่าคนชื่อนั้นจกพิจารณาบึงนั้นหรือว่าจะอยู่ในมือของคนนั้นหรือว่าจะอยู่ในมือของขาาา้าพเจ้าสงจงบริโภคของที่ควรเถอดังนี้ก็ควรอยู่ ถ้าแม้ห้ามเขาถือว่าไม่ควรที่ตุ่ห้ามเนี่ยว่าไม่ควรดังนั้นเขากล่าวว่าคนทั้งหลายจะได้บริโภคน้ําจะได้ล้างของเนื้อนกจะได้ดื่มแม้ดังนี้ก็ควรถกลงแล้วถว า, ายไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใครๆจะมาได้ล้างของจะได้บริโภคน้ําเนื้อนกจะดื่มน้ําสงจะดื่มก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันถ้าแม้ห้ามเขาถือว่าไม่ควรดังนั้นแล้วเขา ว, ว่าท่านจงถือเอาด้วยกับยากศีษะเถิด จะ ก, กล่าวว่าดีแล้วอุบาสกก็ได้นะญาติโ ย, ยมก็อบอกว่าถวายไม่เป็นนะท่านก็ถือเอาให้มันเป็นสัตญาณก็แล้วกันบอกว่าดีแล้วอุบาสกสงฆ์จักได้ดื่มจักได้ล้างของเนื้อนกจะได้ดื่มดังนี้แล้วแลบริโภคก็ควรถ้ามแม้เขาถวายว่าข้าพเจ้าถวายบึงหรือว่าสระโบคารณีของขา้าพเจ้าแก่สงฆ์ที่ถูกก็จะกล่าวว่าดีแล้วอุบาสกสงฆ์จะได้ดื่มน้ําดังนี้เป็นต้นแล้วแลบริโภคก็ควรแทน ก็เถิด้วยกัปิยะได้แต่ถ้าพิกจู ข, ขอหัตกรรมเขาก็ดีและขุดแผ่นดินเป็นกัปติยะด้วยมือของตนก็ดีทําเป็นบึงบ่อเพื่อจะบริโภคน้ําถ้ามนุษย์มาอาศัยบึงบ่อน้ําสําเร็จเข้ากล้าแล้วให้กัปติยะพันในวิหารควรอยู่พระิจูนี่จะขุดดินที่เป็นกัปติยะนี่ได้ดินที่เป็นพวกทรายพวกกรวดไม่มีดินร่วนมากมีดินร่วนน้อยอันนี้ก็ได้ทำให้เป็นบ่อน้ําก็ทําบริโภคน้ําได้ ในที่นี้อัตเปาถาจาร์กล่าวพิสดารแต่ความสังเขตว่าจะทำไรนาเองและให้ผู้อื่นทำไม่ควรบึงบ่อที่เขาถวายเพื่อปัจจัยตรีรับไว้จะตั้งกัปยการ ก, รกไว้ควรอยู่แต่จะทำการขุดดินพูนขอบเป็นต้นไม่ควรบึงบ่อที่รับไว้เพื่อบริโภคน้าจิตบริสุทธิ์จะทำการขุดดินและพูนขอบขึ้นใหม่ด้วยกัปยโวหารควรอยู่ แต่เห็นเข้ามาอาศัยทำเข้ากล้าจะตั้งขับยาการรกไว้ไม่ควรเขากล่าวว่าท้าพเจ้าถวายไร่หรือว่าที่ดินเป็นที่ปลูกทัวงาอ้อยมะพร้าวเป็นต้นพึงห้ามติว่าไม่ควรและปฏิบัติดังกล่าวแล้วในบึงนั้นเถิดเมื่อใดเขากล่าวด้วยกับยะอุหานว่าข้าพเจ้าถวายเพื่อบริโภคปจัจเจศีเมื่อนั้นพึงรับเถิด แต่เขากล่าวว่าขับเจ้าถวายหมู่ไม้ถวายป่าอันนี้ควรอยู่ถวายป่าถวายหมู่ไม้นี้ได้แต่ถวายไร่นาอะไรพวกนี้ไม่ได้<__>เขาอาศัยที่ทําข้าวกล้ า, ากล่าวว่าขับเจ้าถวายสีมาดังนี้ควรแต่ยาปักเสาปักสีมาเพื่อจะกําหนดแดนเองห้ามไปทําเองเพราะว่าแผ่นดินหาราคานี้ได้จะพึงเป็นปาราชิกเสียด้วยของเล็กน้อย พึ่งบอกคนรักษาวัด ว, ว, ว, ว, ว่าสีมาของเราไปตามที่นี้ถ้าแม้คนรักษาวัดปักเอาเกินไปก็ไม่เป็นอบัติเพราะว่ากล่าวโดยปริยายที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินแลมหาหมาเป็นต้นท่านให้คนปักเสาเองแล้วถวายว่าท่านจงบริโภคปัจจัยตีดังนี้ขวรแท้ข้อหนึ่งอย่าพึ่งรับทาสหญิงชายและโคแพช้างม้ากระบือไกจุกรเป็นต้น เขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายทาตอันนี้ไม่ควรเด่นอากาศยานเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายคนรักษาอารามถวายเวิทยวิจกรถวายกับยากษารกดังนี้ควรอยู่อันนี้ก็รับได้ถ้าคนรักษาอารามนั้นทําการแห่งสงฆ์ทั้งเวลาเช้าเย็นที่สุพึงทําการปฏิบัติด้วยยาทั้งป่วงแก่เขานั้นดังสามเณรเถิดถ้าคนรักษาวัดนั้นทําการแห่งสงฆ์แต่เวลาเช้าเวลาปัจฉภัฒน์ทการของตน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 ถ้าเขาเอามูลค่าหัตกรรมมาถวายพึงรับเถิดถ้าเขาไม่ให้อย่าพึงกล่าวสิงใดเลยจะรับธาตเป็นช่างย้อมและธาตุเป็นช่างทอหูคู่ใดคู่หนึ่งด้วยชื่อว่าอารามิกะคนรักษาอารามหรือว่าโยมวัดควรอยู่แล้ว ถ, ถวายธาตุนี่บอกว่าไม่ได้นะโยมเป็นอคาปิยะอุหานถ้าเขาบอกว่าเอาแล้ว ถ, ถวายยังไงล่ะคนนั้นก็มาถวายก็ว่ายังไงก็บอกว่าถวายคนวัดถวายอารามิกะถวายโยมวัดอย่างนี้ก็ควรอยู่ ถ้าเขากล่าวว่าขับเจ้าถวายโคพึงห้ามเขาถือว่าไม่ควรเขาถามว่าโคเหล่านั้นมาแต่ไหนเล่าพึงบอกว่าคนฉลาดเขาถวายเพื่อปัญจโครสเมื่อเขากล่าวว่าขับเจ้าถวายเพื่อปัญจโครสด้วยดังนี้ก็ควรอยู่แม้ในแทะแกะเป็นต้นก็เหมือนกันอย่างนั้นเขากล่าวว่าขับเจ้าถวายช้างถวายม้ากระบือไกสุกรจะรับไม่ควรถ้ามนุษย์บางจำพวกกล่าวว่าทานทั้งหลายจึงมีความขวนขวายน้อยเถิด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 ต้องการพิจารณาจงดูในทุติยธรรมนตะตาสาธิกาเถิดทั้งก็ไวไข้ขคยนี้ข้อห้ามตั้งแต่ไร่นามานี้พระอธิกาจารย์อาศัยบาลีในพระสูตรเป็นต้นว่าเขตะวัตถุปฏิคฆหนาตั้งไว้ก็คือไม่รับพวกนาไร่ที่ดินอะไรต่างๆเ น, นี้ก็อาศัยข้อความในพระสูตรแต่ว่าในพระวินยัยโดยตรงนั้นไม่มีพระอธิกาจารทั้งวาศัยแนวพระสูตรมาว่าไม่ควรเป็นอบัตทุกฏ อันหนึ่งทุกตาบัตรไม่ได้มาในบาลีแต่เป็นอนุโลมแห่งทุลจยาบัตรเป็นต้นพระอัาจารย์ตั้งไว้ก็ชื่อว่าบาลีมุตสกทุกฏดังพิจุตัดองค์ชาตของตนต้องถุลใจตัดอวัยวะอื่นเป็นต้นว่าหูจมูกนิ้วมืออันใดอันหนึ่งหรือทําทุกเช่นนั้นให้เกิดขึ้นก็เป็นทุกกฏแต่อวัยวะที่งูและบุ้งกลัดเป็นต้นหรือว่าอาพาธอื่นเมื่อตัดอวัยวะหรือว่ากอรอหิต ไม่เป็นอบัตอันนี้เพื่อรักษาเพื่อเยียวยาอันหนึ่งในนางพิษุนีเป็นปัจเจตีในพิจูพระอาจารย์กล่าวว่าเป็นทุกฏดังพิกจูทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝานอกกำแพงและในไร่นาดังกล่าวแล้วก่อนเหล่านี้จะเรียกว่าบาลีมุตตกัทุกฏ ก, ก็ได้ที่เหลืออยู่ยังไม่ได้กล่าวก็ยังมีดันั้นการทิ้งอุจาระปัสสาวะพวกขยะอะไรต่างไป น, นอกฝานอกกำแพงนี่ก็ ของพิพณีก็เป็นไปตีของพิกจุก็เพ็นทุกกฎข้อหนึ่งว่าพิกจุให้สมณจีวรคือผ้าควรนุ่งห่มได้ที่ทํากับตะแล้วแก่ทศหัตบรรพชิตผู้ใดผู้หนึ่งอื่นพ้นจากสาธมิพหะและมารดาบิดาเป็นทุกกฎผ้าจีวรนี่ที่ควรวิจักอธิษฐานที่ทํากับตะแล้วเนี่นะไม่ควรเอาไปให้ผู้อื่นยกเว้นสาธมิกแล้วก็พ่อแม่ขนาดบรรพชิตอื่นไม่ได้ทั้งนั้น ขณะให้แก่มานดาบิดาและให้คนอื่นเป็นของยืมอันนี้ไม่มีอบัติก้อหนึ่งอีกพิกตุไปเพื่อจะดูเรือนเป็นที่ประพาดเล่นแห่งพระราชาณเรือนศาลาซึ่งวิจิตรด้วยรายเขียนและสวนเป็นที่รื่อน -dom และสวนอุทยานและศาลบุคครมีเหล่านี้ซึ่งเป็นที่เล่นสนุกเมื่อเดินไปเป็นทุกกดทุกก้าวหยุดยืนในที่ใดไม่ยกเท้าขึ้นแลดูแม้ซึ่งที่ทั้งห้าในที่นั้น เป็นอาบัตทุกกฎตัวเดียวถ้าเลี้ยวไปดูในที่นั้นๆเป็นอาบัตนับด้วยประโยคที่เบือนคอไปดูไม่นับด้วยการหลับตาแล้วดื่มขึ้นนะมีกิจเป็นต้นว่าสลากกะพัดแหนไปก็ดีแหน่ไปเพราะอันตรายก็ดีไม่เป็นอาบัตอันนี้ก็ของพิจูนี่เป็นอาบัตทุกกฎแต่ของพิกษุณีก็าบาปปจิตีเหมือนกันไปเที่ยวเล่นที่เขาเพลิดเพลินอะไรต่างบุยทยญาตามบกกรณี อันหนึ่งแม้ทุกกเพระใช้อกัคติยบริขารบางสิ่งดังกล่าวแล้วในบริขาปรปถาจะกล่าวว่าเป็นบาลีมุตตะทุกกฎด้วยก็ได้นี่ก็บาลีมุตตะทุกกตังจบทุกกรตาบัตซึ่งพรนานามานี้จะหมดสิ้นเชิงทีเดียวก็หาไม่กล่าวแต่ข้อจะพึงรู้จะพึงปฏิบัติและจะมีแจ้งข้างหน้าบ้างเพราะทุกกรตาบัตมีมากดังนี้จึงไม่มีกำหนดทุกตะวันน า, นาจบ ทุกกฎในอัตถกาถาทุติยปราริชตท่านแสดงทุกกฎแอย่างเอาไว้มาจากพระบาลีพุทุพจน์แล้วก็ทั้งอัตถกถาประมวลมาเป็นบาลีมุตตะทุกกฎรวมกันมีแชื่อด้วยกันรู้จักชื่อไว้ก็ดีพระเทระทั้งหลายเนี่ยประมวลชื่อทุกกฎ8ดอย่างนั้นมาแสดงไว้ในที่นี้ก็คืออันแรกก็บุพพประโยคทุกกฎบุพพประโยคทุกกฎ ประโยคในที่ทำกรองปโยคก่อ อ, surgeon, อั น, อ น, ody, อนที่สองสหประโยคทุกกฎอันที่สามอนามาสทุกกฎอันที่สี่ทุรุปจิตนาทุกกฎอันที่ห้าก็วินัยะทุกกฎอันที่หกยาตระทุกกฎอันที่เจ็ก็ยัตติทุกกฎอันที่แปดก็ปฏิสวะทุกกฎเพราะฉะนั้นที่มาตาบาลีก็มีอะไรบ้างก็มียาตระทุกกฎแตยติทุกกฎอันนี้มาในบาลีนอกจากนั้นก็เป็นอสิกถา เอามาดูว่าทุกกฎแปดอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปนี้ว่าภิกษุมีทายจิตเที่ยวแสวงหาเพื่อนจอบหรือว่าตะกล้าก็ตามเดินไปก็ตามต้องอบัตทุกกฎอันนี้ชื่อว่าบุคภะประโยคทุกกฎจริงอยู่ในพระตดำดาที่ตรัสไวน้นี้ในฐานะแห่งทุกกฎก็เป็นทุกกฎในฐานะแห่งปัจจิตีก็เป็นปัจจิตีโดยแท้อันนี้ก็เป็นบุคภะประโยคทุกกฎ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 เพราะว่าเป็นไปพร้อมกับความพยานเรียกว่าสหประโยคทุกกฎแต่ว่าถ้าอยู่ไกลจากม้าขอุมทาบนั้นไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เป็นด้ามมีดด้ามปานแล้วกนี้ก็อบาาับตตจิตตีอันหนึง่งทุกกฎที่พระองค์ตรับไว้แต่ภิกษุผู้จับต้องรัตนสิกยาเข้าเปลือกเจ็ดยางและเครื่องอาวุธเป็นต้นทั้งหมดนี้ชื่อว่าอานามาสทุกกอานามาทุกก ทุกกฎที่พระองค์ตรัสไว้แก่ภิกษุผู้จับต้องบรรดาผลไม้ทั้งหลายมีกล้วยและมะพร้าวเป็นต้นผลที่เกิดในที่นั้นนี้ชื่อว่าทุรุปจินนะทุกกแต่ จ, จับผลไม้เล่นต่างๆอันหนึ่งทุกกฎที่ตรัสไว้แก่ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาตไม่รับประเคนหรือว่าไม่ล้างบาทในเมื่อมีผงทุรีตกลงไปในบาทรับทิาในบาทนั้นอันนี้ก็เป็นวินยักกนนยทุกกฎเึ็นวินัยทุกกฎไม่รักษาวินยัย เมื่อมีทุรีตกลงไปในบาศก็ต้องล้างบาศหรือว่ารับประเคนใหม่ทุกกฎที่ว่าพวกพิสูจนได้ฟังเรื่องตะเกียกสกายเพื่อทําลายสงแล้วไม่พูดต้องอบดับทุกกฎนี้เรียกว่ายาตัทุกกฎรู้แล้วก็ไม่บอกคนอื่นทุกกฎที่ตรัสไว้ว่าเป็นทุกกฎเพราะยาตัตติในบรรดาสมมนุภาพสิบเอ็ดอย่างนี้ชื่อว่ายัตติทุกกฎเมื่อสวดประกาศยัตติแล้วไม่ตรัสถึงก็อบับดับทุกกฎ ทุกกฎที่ตรัสไว้ว่าทุกกฎพิสูจทั้งหลายวันจำภาษาต้นของพิสูจนนั้นไม่ปรากฏและเธอย่อมต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำนี้ชื่อว่าปฏิสวร์ทุกกฎไปบอกเขาไว้แล้วว่าจะมาจำภาษานี้แต่ว่าไม่จำนะล่วงเลยไปวัดอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นอาบัตทุกกฎเพราะว่าปฏิสวะไม่ได้เป็นมุสาวาเพราะไม่ได้ตั้งใจมุสานะแต่ว่าไม่ทําให้เหมือนกับที่ตนเองกล่าวไว้ก็เป็นปฏิสวรทุกกฎ อันนี้ก็เป็นทุกกฎแปดอย่างที่อัจฉกิาะท่านแสดงไว้ในทุติยภาพาราชิกในทินาทานสิกขาบทต่อไปก็จะเป็นทุพพาสิตาบัตจากพันานาในทุพพาสิตาบัตพิสูกน์แกล้งพูดหลอกล้ออุปสัมบันิและอนุสัมบันิจะเป็นพิสูจหรือว่าสามัญ ห, หรือว่าสัทธาตามด้วยอโกสัตู์สิทธิ์วสําหรับดาานะ่าปณะมีชาติเป็นต้นแต่ว่าพูดเพื่อล้อเล่นเพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความโกรธอะไรตา่าง เป็นอาบัตทุพภาติวิทิาชัยนอกนั้นให้พึงรู้ดังโอมสวาทะิกขาบทนั้นเถอะก็มันอยู่ในข้อย่อยของโอมสวา่าอย่างข้อเดียวกันดาติจุแต่ว่าถ้าด่าเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานพวกนี้ก็อบัตทุกพพาติตถ้าด่า จ, จริงๆก็โทรสัร่งว่าบัตปาจิตตีแปลกแต่ทุพภาตตาบัตนี้เป็นธรรมเทศนาสมุตฐานก็คือเป็นสมุติฐานที่ห้าเกิดจากวาจาจิต เกิดแต่วาจาจิตเป็นกิริยาสัญญามิโมญญกตัจิตกะเป็นวัคีกรรมอย่างเดียวอากุตรจิตมีเวทนาสอก็คือสุขและมัตยะเทนั้นมัตยะ ก, ก็คืออุเบกานั่นเองทุกภาสิตตะวันนาน า, นาจบปาฏิปาฏิมุขตับพังตักยังจบว่าด้วยสิกขาบทที่เป็นทางปฏิบัติมากก็ได้ความรู้ในเรื่องของพระวินัยบัญญัติเรื่องของอาบัตรเรื่องของ ข, องข้อวัด ต, ต่งตางๆ มันก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลการดำรงชีวิตความเป็นธรรมณะแก่ความเป็นพิกษุกเพราะว่าพิกษุก็ต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวะและศีลก็ขอให้สิกขาบทเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ท่านทั้งหลายมีศรัทธาดำรงรักษาพระธรรมวินัยในศาสนานี้เพื่ออบรมไตรสิกขาเพื่อความยั่งยืน ม, มั่นคงในศาสนาของพระาศาสดาเพื่อทำให้ศาสนานั้นจะดังรุ่งเรืองทั้งภายในตนและภายนอกก็ขอให้ได้บรรลุ อริยมัติอริยผลโดยตัวการเทินสาธุสาธุสาธุ